เรื่องกุมพันธะเปรตหนึ่งเรื่องวงเล็บเปเรตมีอันทะโตเท่าหม้อสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณนะพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครือครั้งนั้นท่านพระลักษณะกับพระหมหาโมคลานะพักอยู่ที่เขาคิจกูดครั้นเวลาเช้าพระหมหาโมคลานะครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวอล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 ก็นั่งทับอันท่าเหล่านั้นฝูงแรง้งนกกานกเหยื่ยวพากันโฉบอยู่ควักไข่จิกครึ้งยื้อแย่งเปรตนั้นสะบัดไปมาจนมาร้องครวญครางเราพบมีความรู้สึกว่าน่าสะใจ จ, จ, รจริงไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีเปรตเช่นนี้มีการได้อัตภาพเช่นนี้อยู่ภิกษุทั้งหลายพากันตําหนิประนามโผล่นทนาว่า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 พรยเรตนั้นเคยเป็นผู้พิพากษาโกงชาวบ้านอยู่ในกรุงราชครื้เพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไหมยอยู่หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้มีอัตภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมที่ยังเหลือโมกคาณะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่45สห้า